อารักขาสัมปทาการยานามิตรตาสมะชีวิตาอุทานาสัมปทาเป็นชะไหนคือกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมก็ดีพานิชยกรรมก็ดีโครั ก, กรรกก็ดีราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี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 ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเนื้อต่างน้ำเป็นของชอบทมได้มาโดยธรรมเธอจัดการรักษาคุ้มครองพวกกรัพั์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรไม่พึงลักไปเสียไปไม่พึงไหมเสียน้าไม่พึงพัดพาไปเสียทายาทอปรีจะไม่พึงเอาไปเสีย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 แลรายจ่ายของเราจึงจักไมเหนือรายได้เปรียบเหมือนคนช่างตาช่างหรือลูกมือนคนช่างตาช่างขึ้นแล้วยอมรู้ว่าย่อนไปเท่านั้นหรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกุลบุตรนี้มีไรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุงเฟอ้อก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเดือ่อถ้ากุลบุตรนี้มีไรายได้มาก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 เรืเหมือนอ่างเก็บน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางหากคนเปิดน้ำเข้าปิดทางน้ำออกและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นยอมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวไม่มีความลดน้อยลงเลยดูก่นพรามธรรมะสี่ประการเหล่านี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปัจจุบันแกคุณบุตร จากนั้นตรัสแสดงธรรมสีประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเบื้องหน้าหรือประโยชน์ล้ำเลยตาเห็นคือสัมปราญาิกัตถะได้แก่ศรัทธาสัมปทาศิลสัมปทาจาขะสัมปทาและปัญญาสัมปทา